ปฏิบัติเห็นเจริญสติเนี่ยเห็นสุดยอดของที่นี่อื่นก็เป็นส่วนประกอบ <c oughs> โดยเพราะวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้ขิดชีวิตของเราได้จริงจริงเราไม่กรรมเป็นของของตัวเราทําดีก็จะได้ดีเราทําชั่วก็จะได้ชั่วมันเป็นอย่างนั้นจริงจริง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 ช่วยกันได้มากชีวิตของเราเรามันก็ช่วยได้จริงๆริถ้ามองสวนกันบ้างมันมีความเกิดมันก็ต้องมีความไม่เกิดแต่มีความเจ่มันก็ต้องมีความไม่เจ่ถ้ามีความเจ็บมันก็ต้องมีความไม่เจ็บถ้ามีความตายมันก็ต้องมีความไม่ตายนี่การมองแบบสิท ธ, ธัตถะ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 มีเตสติรู้ดูเห็นไปเห็นอะไรก็ได้ถ้ามันจะมีในกายในจิตของเรา้าเห็นเราก็ไม่เปื่อไม่เพื่อนเป็นผมมจันผมมจันนี่เป็นรสชาติของชีวิตน่าดื่มเหมือนมันด่าอยอดโอชาแห่งโครสมันดะยอดโอชาแห่งโครสโครสเน่ยเขาว่าโครเท่าไหร่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 ยืนไว้เนี่ยมันก็ไม่สิ้นเปืองพลังงานไม่สิ้นเปืองไม่เข้าไปสู่พบปูบต่องๆทวนเอาไว้การทวนแบบเนี้ยเรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติคือทวนคือกลับไม่ไปกับอะไรง่ายง่ายเนี่ยเอาไปมามันก็เจิงขึ้นมาเห็นความเป็นจริงที่ผ่านหน้าผ่านตาหลายหลายอย่าง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 ดูความทุกข์เนี่ยถ้าเก่งในความรู้จริงๆก็เป็นมรรคผลในผ่านได้เช่นพระพุทธเจ้าของเราน่ะความทุกข์แต่แท้ทให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าแต่บางทีเราไม่ไม่มีวิธีปฏิบัติความทุกข์ทําให้เป็นปุตตุชนความทุกข์ทำไมเป็นผู้ปุบรัตตมเป็นนรกก็ได้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยความทุกข์ทให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้า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 อะไรผ <c oughs> าเบ็ดการทาบุญร่องลอยแห่งการทําบุญบุญบวชบวชทุกปีบุญบ้านก็ทําทุกปีบุญกระถิ่นก็ทําทุกปีสร้างโบสถ์สร้างพะระหล่อพระทําทุกปีแต่เราไม่เคยได้ทําแม่แต่บุญบ้านก็ไม่ค่อยได้ทําเพราะมันจนการทําทบุญแบบนั้นต้องมีเงินมีทอง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 อาจจะว่าก็ก็ก็เสียมารเลยหนักเอาไว้เอะสัญญากันแล้วทําไมมาพูดแบบนี้นเสียใจมากมาถามกันวก็เจ็บข้าวเจ็บของเรียกแม่เทียนมาแบบคนโกรธคนโกรธเรียกคนโกรธมาดา่าเรียกคนที่โกรธมาดา่าอ่า แม่เทียนทำไมจังทำอย่างนั้นบอกแล้วนะพูดบ้าบ้าหมาหมาไม่รู้อะไรแมเทียนก็พูดว่าโอ้ยพ่อเทียนคอยก็ถามเจ้าเท่านั้นนาะเจ้าสิกโกดใช่ป๊อเจ้าเนี่ยก็จะทุกข์ตอนนั้นเนี่ยทำบุญแท้ๆเจ้าก็ยังทุกข์อยู่นาะพ่อเทียนเอ้ย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 ทมเอามาต่อองเราเป็นคนยากคนจนเราเป็นคนเป็นผู้ไม่มีบุญวาสนาในต้องเอาการกระทาเอาการกระทำยกมือขึ้นมาลู่สึกตัวทำใจทำใจไปให้ลู้สึกตัวให้ลู่สึกตัวปอยอย่างนี้นะนี่เลยวะลิขิตให้เชื่อมั่นคำสอนพระพุทธเจ้า อย่าไปทำอย่างอื่นอย่าไปพัดหลงไปอย่างอื่นให้มีศรัทธาต่อการปฏิบัติพระพุทธเจ้าเราก็ทำแบบนี้พระองค์ยังไปนั่งอยู่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์เป็นกษัตริย์ด้วยถ้าจะเปรียบเหมือนคนสมัยนั้นเขาก็หาว่าคนบ้าเนาะร้ไหกษัตริย์เนี่ยโกนผมไม่ได้แต่โกนผมก็เสียศักดิ์ศรีพริเจ้าเลยโกนผม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 หอก็ให้มันได้ยินมีสติตาก็ให้มันเห็นให้มีสติคนเนนทาก็ให้เลยรู้มีสติคนเฉนละเฉินก็รู้มีสติมันจะลุยลุยเฉลหน่อยมันจะเข้มแข็งนันจะทำให้อินซีแก่กล้าได้เนี้ย <c oughs> นี่เราฝึกทุกสถานาการลุยลอยสักหน่อยก่อนปฏิบัติธรรมอย่าเรียกร้องอะไรมาก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 โกรธให้ไปไม่ปา่าหาวิธีที่จะไม่ให้ไฟไม่ปลา่โาโกรธหมดเวลาใดเขาเล่าเรื่องไปไม่วัดป่าสุก โ, โตนี่โอ้ยโกรธนะเพียรพยายามที่จะเอาชนะไปไม่เปลเออไอ้นี่โกรธใหความจนโกรธให้ความโกรธโกรธให้ความโกรธด่ดาตัวเองว่าเอ้ยเท่านี้ก็โกรธแล้วเลยนะมันจะทาอะไรได้